นักล่าความฝันกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในโลกของพวกเรามีสิ่งมีชีวิตวิเศษอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเรารู้จักพวกเขาในนามว่านักล่าความฝันพวกคุณเคยมีความฝันที่แสนอัศจรรย์และมันสามารถเติมเต็มความปรารถนาในก้นบึ้งของหัวใจคุณได้ไหมแต่พอเราตื่นขึ้นมาเรากลับจำมันได้เพียงแค่เลือนรางนั่นแหละคือหน้าที่ของนักล่าความฝันดูสิ อ้อเรีนาที่น่ารักของฉันเหมือนเธอจะไม่สังเกตเห็นฉันนะฮะ oh, oh, เธอสวยมากจริงๆไงทิมมี่นายน่ารักจังนี่สำหรับนายนะฮฮฮ่า <laughs> ช่างเป็นฝันที่น่ารักจังเลยนะเพื่อนไม่ต้องห่วงนะฉันจะเก็บไว้เก็บเอาไว้อย่างดีเลย แล้วนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทําพวกเขาเก็บความฝันของคุณไว้ในขวดเพราะนั่นจะทําให้มันปลอดภัยจากแมกนัสผู้บุกรุกความฝันและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นฝันร้ายหลายปีผ่านไปเหล่านักล่าความฝันยังคงกระจายตัวไปตลอดทั้งคืนเพื่อปกป้องความฝันของผู้คนจนกระทั่งคืนหนึ่งแมกนัสได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งอ <c oughs> ฉันรักฝันร้ายมากมันสนุกมากจริงๆไม่เป็นไรนะเด็กน้อยเธอไม่เป็นไรแล้วพวกเราเจอสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วรีบมารวมตัวกันที่สำนักงานใหญ่คืนนี้ดังนั้นในคืนนั้นเหล่านักล่าฝันได้มาประชุมกันถึงวิธีที่จะหยุดยั้ยงแมกนัสก่อนที่หายนะจะเกิดขึ้น พวกเขาถกเถียงกันตลอดทั้งคืนถึงหนทางที่จะปราบแมกนัสได้เราต้องทำลายแมกนัสซะนั่นเป็นทางเดียวเท่านั้นมมนเดลพูดถูกแล้วพวกเราต้องหาวิธีในทันทีทุกคืนที่แมกนัสออกมาเด็กๆหลายพันคนต้องทุกทรมานการอภิปรายดำเนินต่อไปเรื่อยเรื่อยเรยืและเรื่อยอ๋อเดี๋ยวนะคนที่อยู่ตรงนั้นซอนยา หนึ่งในผู้สรงพลังที่สุดในจักรวาลหากจะเป็นใครที่มีพลังพอและสามารถวางแผนจาัด ก, การแมกนัสได้คนคนนั้นก็คงเป็นเธอนั่นเองใครในนี้จะโหวตให้ทันใดนั้นเงาขนาดมหึมมาได้ปรากฏขึ้นล้อมรอบพวกเขาและพายุแห่งความมืดก็สัด ก, กระหน่ำเข้าในห้องพวกเขากรีดร้องออกมาเสียงดังเมื่อทุกอย่างเงียบลง พายุงเงาได้ส ง, งบลงและซอนยาได้หายตัวไปโอ้โอ้ไม่นะซอนยาเธอหายตัวไปแม็กนัทเอาตัวเธอไปแล้วพวกเราจะทำยังไงดีเหล่านักล่าความฝันต่างกระวนกระวายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพยายามหาวิธีที่จะช่วยเหลือซอนยาแมนเดลเชเวตมอนของเขาเพื่อค้นหาร่องรอยของซอนยาเขาพยายามสุดความสามารถแต่มัน ก็เปล่าประโยชน์ในขณะเดียวกันแมกนัสได้นำตัวซอนยากลับมาที่ถ้าของเขาและขังเธอเอาไว้ในห้องนายขังฉันไว้ที่นี่ตลอดไปไม่ได้หรอกนะเหล่านักล่าความฝันจะต้องมาและจัดการนาอย่างแน่นอนไม่รอกถ้าฉันจับพวกมันได้ก่อน <c oughs> ฉันจะเอาความฝันทั้งหมดมาเป็นของฉันและพวกมันต้องเป็นของเล่นให้กับฉันทั้งหมด ต้องเป็นของฉันในขณะที่แมกนัสผู้ชั่วร้ายกำลังหัวเราะออกมาอย่างคนเสียสติสอนยาก็คิดแผนการอัญชานฉลาดเพื่อที่จะเอาชนะเขาได้่อนยาหลับตาลงและส่งข้อความขึ้นไปในอากาศในรูปแบบของนกเวทมนต์ข้าหวังว่ามันจะไปถึงใครสักคนนะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป นกเวทมนบินผ่านไปยังท้องฟ้านในยามค่ําคืนมันบินเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่งที่กําลังหลับอยู่และเข้าไปในความฝันของเขาเขาไม่ใช่ใครที่ไหนเด็กน้อยทิมมี่ที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้นี่เองตอนนี้เขาได้โตขึ้นแล้วหนวดเคราขึ้นทั้งหมดเลยอ้าในที่สุดฉันก็ได้อยู่สบายสบายได้ดูเซฟิกสักทีทิมมี่ใครใครกันไม่มีเวลาแล้วฉันชื่อซอนเยอร์นะ ฉันคือสิ่งที่นายเรียกว่านักล่าความฝันและฉันถูกจับโดยปีศาจร้ายฉันอยากให้นายไปที่น้ำตกในทิศตะวันตกและเดินตามทางไปในอีกด้านนายจะพบกับคนของฉันไปหาเมนเดลแล้วบอกกับเขาว่านายเป็นคนที่ถูกเลือกออนี่มันเรื่องปลาลัดอะไรกันเนี่ยอะไรนะ เหมือนกับสิ่งเดียวที่ฉันเห็นในความฝันเลยท่านใดนั้นนักล่าความฝันได้แกว่งมันไปมาเหมือนกับในความฝันเป็นไปไม่ได้ฉันต้องไปหานักล่าความฝันแล้วตอนนี้และดังนั้นทิ ม, มีิจึงเดินทางไปที่น้ำตกและทำตามคำแนะนำเขาเดินเข้าไปเรื่อยๆจนพบกับเมนเดีอวอเทมินายมาที่นี่ได้ยังไงผมฝันบางอย่าง และและผู้หญิงคนนั้นซอนยาใช่ใช่เธอบอกผมว่าผมเป็นผู้ถูกเลือกใช่แล้วเออเดี๋ยวนะแล้วผมจะบอกคุณทำไมถ้าคุณรู้อยู่แล้วนายคือผู้ถูกเลือกเพื่อทำภารกิจที่สำคัญมากปีศาสตร์ร้ายแม็กนัสจับตัวซอนยาหัวนหน้าของพวกเราไป พวกเราต้องช่วยเธอเพื่อยุดแมกนัสจากการสร้างฝันร้ายให้กับทุกคนตอนนี้นายคือความหวังเดียวของพวกเราแต่ว่าทำไมเป็นผมละ่ะผมมีอะไรพิเศษอย่างนั้นเหรอความฝันของนายยังไงละ่ะพวกมันบอกบุคลิกและหัวใจของคนคนนั้นได้และนายเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาและอบอ้อมอารีดังนั้นพวกเราจึงเลือกนาย แต่ว่าทำไมคุณทำมันไม่ได้ละ่ะด้วยไม้เท้าเวทมนของแมกนัสเขาสามารถทำให้เหล่านักล่าฝันนอนหลับลงไปได้ในทันทีมีเพียงผู้ถูกเลือกเท่านั้นถึงสามารถเอาชนะเขาไดา้เอาสิ่งนี้ไปมันคือเครื่องรางวิเศษที่ถูกเรียกว่าสปินเนอร์เรกเก็บมันไว้ให้ดีมันจะช่วยปกป้องนายจากการโจมตีของแมกนัส และช่วยให้นายเอาชนะเขาไดา้ทั้งหมดที่นายต้องทาคือพูดว่าสเปนนรเรกจอมตีจากนั้นพลังเวทแห่งไฟของแมนเดลก็ได้ลุกโชนขึ้นต่อหน้าพวกเขานั่นมันอะไรกันก็แมกนัสยังไงล่ะเขาออกจากที่นั่นอีกแล้วในขณะที่กำลังตามหาซอนยาฉันได้ไรยคาถาติดตามแมกนัสไว้เพื่อให้พวกเราเจอเขาในตอนที่เขาขึ้นมาบนพื้นดิน ดูเหมือนว่าเขาจะโจมตีหนึ่งในพวกเรานะนั่นอโรล拉รีบไปเร็วแมนเดลดิดนิ้วของเขาในอากาศและเขากับเทมมี่ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าแมกนัสโ อ, โ, อโอ้ดูสิใครมาเมนเดลนั่นเองฉันกำลังจะจับได้คนหนึ่งแต่ดูเหมือนจะจับนักล่าความฝันได้ถึงสองคนเลยแฮะโชคช่งเข้าข้างข้าซะจริงๆว่าไหมเทมมี่ ยงหลับซาในพริบตาแมนเดลและอาราโรได้ล้มลงไปบนพื้นสวัสดีทิมมี่อู้ดูสิว่าเรามีอะไรอย่าอย่าขยับนะฉันเตือนนายแล้วแล้วนายจะทำอะไรอย่างนั้นเหรอจะทำร้ายฉันด้วยเครื่องประดับอย่างนั้นเหรอโอไม่นะเขาถาพูดว่าไงนะ Spinner ์เ c k ชาร์จโอ้ไม่นะเจ็บจังเลยโอ้เ oh, จ็บโอ้ <laughs> oh, ไม่นะไม่โอ้ oh, Spinner ์เ c k ช่วยฉันด้วยฉันจะเอาจริงแล้วนะคราวนี้ฮึ <c oughs> นายคิดว่านายจะทำอะไรฉันได้อย่างงั้นเหรอนี่ไงล่ะ Spinner ์เ c k กจอมเต้ห์ห์ <c oughs> เป็นปนไไไได้ยังงกม่พลังทั้งหมดของแมกนัสถูกดูดเข้าไปในไม้เท้าและนั่นทำให้เขาอ่อนแอลงและล้มลงไปบนพื้นได้ยังไงกันฉันคือผู้ถูกเลือกมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องคอยช่วยเหลือผู้คนและป้องกันพวกเขา จากปีศาจร้ายแบบนายยังไงล่ะนักล่าความฝันได้สติและมองไปยังทิมมี่ที่ยืนอยู่กับไม้เท้าที่กำลังลอยอยู่ข้างๆเขาแมกนัสถูกจับกลุมตัวและถูกนำไปที่สำนักงานใหญ่ของนักล่าความฝันซอนยา่ากลับมาครองบอลลังของเธออีกครั้งโดยสวัสดิภาพทิมมี่ฉันรู้ว่าฉันคิดถูกแล้วที่เลือกนายนายช่วยพวกเราทุกคนและยังช่วยเด็กๆทุกคนเอาไว้อีกด้วย ฉันมีบางอย่างอยากจะมอบให้นายและนี่คือชุดของนายถ้านายอยากจะรับมันเอาไว้หมายความว่าใช่แล้วผมจะได้เป็นใช่นักล่าความฝันผู้คอยขัดขวางความชั่วร้ายใ ช, ใช่แล้วและดังนั้น ที่มวทีเทอร์เนอร์จึงเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้กลายเป็นนักล่าความฝันเขาใช้แก่นแท้ที่พิเศษของเขาเพื่อช่วยให้เราเด็กๆต่างหลับฝันดีในทุกๆคืนและคอยปกป้องพวกเขาจากปีศาจร้ายอย่างแมกนัสเป็นต้นมา